พิชชนีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติซีมาต้องอบัตรปาจิตตีจบยะติต้องอบัตรทุกกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตรทุกกดสองตัวจบกรรมวาจารครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตรปาจิตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตรทุกกด